พันเราพยายามศึกษาให้เข้าใจว่าการเจริญกุศลของเราเนี่ยนะเพราะสังวรเพื่อปราโมทปราโมทเพื่อปีติปีติเพื่อปสัสสัตภิปัสสัตถีเพื่อสุขสุขเพื่อสมาธิพันสมาธิก็คือกุศลจิตเกิดต่อเนื่องอะ่ะนะคำว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ปึ๊งอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ใช่แค่นั้นนะแต่อยู่กับอารมณ์เดียวที่ที่เป็นอารมณ์เกื้อกูลต่อกุศลจิต และกุศลจิตสา ม, มารถเกิดได้อย่างต่อเ น, นื่องยาวนาน น, นะก็จะเบาใจเรียกว่ามีความสุขมีสมาธาิสมาธิเป็นเป็นเหตุใกล้ให้ให้เกิดปัญญาเพราะสมาธิที่เกิดบ่อยๆนะสมาธิแรกๆอาจจะเป็นญาณวิปยุทธ์ถ้าเกิดบ่อยๆญาณสัมปยุทธ์จะเกิดถ้ามหากุศลเกิดบ่อยๆมากๆขึ้นแล้วมันจะเริ่มรู้เลยนะว่า มหากุศลอันนี้แม่ความเพียรขาดไปกุศลจิตอันนี้นะถ้าเราเสริมความเพียรอีกนิดหนึ่งพอดีเลยเอยสติอ่อนนะช่วงนี้เพราะอานิมิตของสติไม่ค่อยมีไม่ปาราของนิมิตของสติเอช่วงนี้ทําไมไม่ปาราเรื่องปัญญาเพราะนิมิตของปัญญาไม่ค่อยเกิดอันจะเริ่มปรับตัวกุศลจิตเนี่ยใหม่ๆนะขอให้มันเกิดก่อนเถอะแต่พอเกิดนานๆเข้าเริ่มปรับตัวเหมือนกับอาหารนะ ทีแรกเนี่ยทำให้มันสกสกก่อนเนี่ยคนหิวนะคนหิวนะโอ้ให้มันมีอาหารมาเถอะมันบูดต้องกินแต่ถ้ามีอาหารบ่อยๆเข้าเอ๊อาหารนี่มันบูดเลยถ้าได้ดีกว่า น, นี้อีกหน่อยก็เจ๋วก็เริ่มแต่งรสขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นอาหารทุกวันเนี้ยหลังจากแรกๆเนี่ยกินผักกินใบไม้ใบหญ้าก็กินได้ยังงั้นก็กินได้แต่นานๆเข้าเอ๊เอาอ้นั้นมาผสมกับอันนี้เข้ามันน่าจะอร่อยขึ้นกุศลจิตก็เหมือนกันถ้าเกิดบ่อยๆก็จะเริ่มปรับตัว อันถ้าเราสังเกตดูว่าชีวิตจริงๆของเรานั้นถ้าขาดการเจริญกุศลธรรมเนะี่ยเป็นชีวิตที่ถ้าเป็นของอาตมาเองนะีบอกไม่มีใครน่าสงสารเท่าเราหรอกถ้าเรากุศลจิตไม่เกิดต้นตอแห่งความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเรากําลังผลิตขึ้นแล้วนะีวัตะจักรแห่งกองทุกข์ทั้งหมดเรากําลังก่อสร้างขึ้นเองเราสร้างกระจายของเราเองเลยนะ เพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะถ้าไม่มีวิบากกรร ม, มชลุกเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งเหล่านั้นจะไม่ทุกข์เลยเช่นไฟไหม้นะถ้าวิบากกรร ม, มชลุกเราไม่ไปอยู่ในกองอันนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องมันก็ไหมไปทีใช่ไหมไฟก็ไหมอยู่ตลอดอะ่ะแต่เพราะวิบากกรรมมาชรูปที่เป็นบาปเป็นอกุศลต้องให้เราไปอยู่ในตําแหน่งนั้นๆไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากอากุศลละเจตนาในใจของเรา ันถ้าเรามองเห็นเรื่องกรรมมากมากขึ้นการเจริญกุศลนั้นมีความจาเป็นต่อเรามากมายนามาสามั้นคนที่มีกุศลเกิดอย่างล้นเหลือแล้วนั่นแหละเขาจึงความคิดว่าเขาหน้าจะพ้นจากวิบากและกรรมชร่วเหล่านี้แต่กุศลยังไม่ค่อยเกิดเลยนะจะพ้นอย่างเดียวไม่รู้จะพ้นอะไรเพราะอย่างน้อยๆที่สุดอบายไม่รู้จะพ้นหรือเปล่าไม่รู้นะกุศลไม่ค่อยเกิดนี่อย่า ว, ว่าแต่นิพพาน ก็ตอบายพ้นหรื อ, อยังก็ไม่รู้นั่นแหะเพราะนกุศลจิตมันเกิดบ่อยบก็อย่างน้อยที่สุดทําให้พ้นอบายมาเกิดเป็นเันกอเป็นทัศน์ที่ดีไปหน่อยแต่ถ้ากุศลจิตเกิดมากหน่อยนะกุศลจะอุ้มเราไม่ให้เราตกดำหรอกถ้าคุณมีกุศลจริงๆนะถ้าอกุศลไม่หน า, นานแน่นจริงๆกุศลจะเข้ามาอุ้มเองอย่างน้อยกุศลจิตเกิดขึ้นนะทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมดวงที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเรามีศรัทธาในากรรมไหม มีศรัทธาในคําสอนอันนี้ไหมเท่านั้นแหละมีตถาคตโพธิศรัทธาที่พระ อ, องค์กล่าวว่ากรรมบางอย่างเป็นทิทฐธรรมะเวทนียกรรมเราสา ม, มารถที่จะเจริญกุศลได้เกิดบ่อยไหมก็ลองเจริญเมตตานะพระ อ, องค์บอกว่าเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยทําให้เป็นยานทําให้คล่องนะทำให้มีความชํานาญเลย ก็บอกว่าจะได้รับอะนิสงสิเบประการใช่ไหมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอ่ะมนุษย์อย่างเงี้ยนะหลับก็ไม่ฝันร้ายมันอั น, นิสง์เหล่านี้ทั้งหมดถ้าเมตตาเกิดปุ๊บเนี่ยนะจะเป็นที่จะธรรมเวทนิยกรรมให้ผลเลยถ้าสามารถเจริญกุศลได้ระดับนั้นจริงๆรนะเจตนาดวงที่หนึ่งจะให้ผลเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะทุกข์เลยนะ ถ้าหากว่าคนที่สมมุติถ้าหากว่าผู้ใดเป็นที่รักที่ชอบใจของบุคคลอื่นนะมีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาจัดการให้เราหมดเลยนั่นแหละเขาจะช่วยเราหมดนั่นแหละถ้าหากว่าเรามีกุศลมีกําลังยิงจริงนั้นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือทํายังไงกุศ ล, ลจิตเราจึงจะเกิดได้บ่อยแต่ที่กุศ ล, ลจิตเกิดบ่อยเนี่ยก็สําคัญละ่ะแต่เบื้องต้นของกุศ ล, ลจิตจะเกิดบ่อยก็คือมีศรัทธาที่จะเจริญกุศลไหมนะ ถ้าเรามีศรัทธาที่จะเจริญกุศลหมวดใดหมวดหนึ่งนะสามารถทําได้วันนี้อ่านถึงข้อความในมหาสัจกสูตรที่พระ อ, องค์ตรัส ก, กับสัจกะนิครนกล่าวถึงว่าพระ อ, องค์เน้นไปเรียนวิชากับอาลาลดาบทนะว่าอาลาลดาบทนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญา จึงเจริญอรูปประจานนี้ได้แม้เราเองก็มีศรัทธาคำว่าศรัทธาอีกแห่งหนึ่งท่านอธิบายว่ามีศรัทธาที่จะเจริญกรรมาฐานข้อนี้นะเขามีศรัทธาเราก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติรมอันนี้สองเขามีความเพียรเพียรเพื่อให้กุศลธรรมอันนี้เกิดขึ้นเราก็มีความเพียรเขามีสติคือไม่ประมาทเราเองก็ไม่ประมาทเขามีสมาธิเราก็มีสมาธิ เขามีปัญญาเราก็มีปัญญาเพรา ะ, ะนั้นพระองค์ก็เลยปฏิบัติสองสามวันได้อรุปฌานเลยเพราะพระองค์เชื่อมั่นว่าพระองค์ทําได้จริงๆและพระองค์ทําด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาอย่างเดียวไม่พอทาสอนในพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวแค่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ศรัทธาเป็นเบื้องต้นของการเจริญกุศลธรรมนั้นนั้นอะไรถ้าเราสามารถที่จะเพาะปลูกศรัทธาใน ถ้ารรมาคุณสักหมวดหนึ่งนะถ้าเรามีศรัทธาที่จะพิจารณาเรื่องขันนะไม่น่านเรื่องเราจะเป็นคนที่ชํานาญในเรื่องขันที่สุดเลยถ้าเรามีศรัทธาที่จะเรียนเรื่องปัจจัยเรื่องปัจจัยกลับไม่ยากคือที่ที่บอกอปัจจัยยากเหลือเกินก็คือไม่มีศรัทธาในเรื่องปัจจัยนะธรรมะทุกหมวดก็เหมือนกันอย่างโลกุตตระธรรมเนี่ยเป็นของยากยากจริงแต่ของสําหรับใคร สำหรับคนที่ไม่มีอินทรีย์อินทรีย์คืออะไรศัจคินทรีย์เป็นต้นทั้งคนไม่มีศรัทธายังง่ายกัยากก็เหมือนกับการให้ทานนะบาทเดียวอะ่ะถ้าคนตนหนีเนี่ยแม้แต่บาทเดียวก็กยากให้ยากท่านแนะนำอย่างนี้ก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้ญาติโยมลองดูนะครับ เ, เพราะว่าสมถามีทั้งสี่สิบเนี่ยนะครับท่านลองดูสักอย่างที่ครับอันไหนนะครับที่ท่านจะมีศรัทธานะครับ ลองดูสักอย่างหนึ่งพอเลยแล้วถ้า<ม>ท่านเจริญได้นะนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นอย่างดีเลยอะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างดีเลยนะครับลองดูดิครับท่านท่านชอบอะไรในกรรมฐานสี่สิมเนี่ย<ม>โดยเฉพาะอนุสติสิทธิ์เนี่ยท่านลองดูเนี่ยเ้หมดลท่านชอบอย่างใดหรือว่าท่านถนัดอย่างไหนนะีถ้าหากว่าท่านถ น, นัดชอบเมตตานะครับถ้าท่านชอบเมตตานะครับ ท่านลองฝึกดูสิครับท่านลองหัดทักทายคนง่ายขึ้นด้วยจิตใจนะด้วยจิตใจเป็นมิตรนะลองดูที่ครับทักทายเขาฮะ ถ, ถ, ถ้าคนสบายอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับคือคนทักทายเขานี่นะทักทายด้วยเมตตาโดยตามธรรมชาตินะนั่นไม่ใช่เป็นการเจริญนะเพราะเขาอุปนิสัยมานานแล้วบางคนน่ะเขามีมานานแล้ว ผู้สนเขาก็ได้แต่ว่าบุคคลใดบางคนนั้นไม่เคยมีแต่ทำให้มีขึ้นนี่สีน่าสนใจนี่น่าสนใจนะถ้าบางคนนั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าคนยากแล้วเรารู้ตัวว่าเรานั้นเนี่ยขาดเมตตาเราก็ลองดูนะฝึกนะเพื่อที่จะทำให้เมตตาเกิดดูสักครั้งหนึ่งถ้าครั้งที่หนึ่งทำได้นะต่อไปจะง่ายขึ้นแล้วเราจะเห็นตัวเมตตาชัดขึ้นลองดูที่คบ <น>การที่เราทำขึ้นนี่นะโอ้ น, นีนะเป็นภาวนานะทำให้มีขึ้นนะเป็นการเจริญขึ้นนะผิดกับคนที่เขามีแล้วตามธรรมชาตินะเพราะว่าคนที่มีแล้วตามธรรมชาตินั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะโอกาสที่กุศลประเภท น, นี้เสื่อมมีไหมมีใช่ไหมแล้วโอกาสทำให้เจริญมีไหมก็น้อยใช่ไหม แต่ผิดกับคนที่มีปัญญานะรู้จักทําขึ้นเนี่ยเขาก็ทําให้พัฒนามากขึ้นได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองดูสักอย่างนะต้องตั้งสี่สิบอย่างท่านลองดูที่ทานุสติธรรมานุสติสังขานุสติชาคานุสติาาสตทเท ว, วตานุสติศีลานุสติอะไรเยอะแยะเลยะนะซึ่งเหมาะกับเหมาะกับอธัธยาศัยขายก่อนเลือกเอาเถอครับถ้าธรรมานุสตินะีเยอะที่สุดเลย พระไตรปิฎกเนี่ยนะเก้าสิเอ็ดเล่มอ่ะถ้าฉบับมหามงคลเนี่ยเอาสักสูตรหนึ่งครับธรรมานุสติอ่ะตรึกไว้สูตรเดียวของอนัมมาก็เอาสูตรหนึ่งเหมือนกันเอาเมตตาสูตรเอาสักสูตรหนึ่งก็อย่างนี้อกรณียมเมตตาสูตรนั้นเอาสูตรเดียวพอละศรัทธาสูตรนี้มากเอออีกอีกสูตรด้วยอิตติปิโสเนี่ยสูตร นะมองว่างอิติปิโสพระกาว า, ารหังสามมาสามพุโทโธเราก็แปลไปด้วยสวยดไปด้วยโอ้พระพุทธเจ้านี่อารหังแต่สรุชอบด้วยพระองค์เองมีวิชาและจรณะเดี๋ยแล้วก็่เออพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นยังไงอรหันต์ไกลาจากกิเลสกําจัดท่าศึกคือกิเลสก็ขี้ตามนี้ไปเรื่อยๆนะก็ดีพระองค์บอกว่าคิดอย่างนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์มีคุณมากมายมหาศาลเพราะยังไง ก็คิดอยู่แล้วอ่ะนะแทนที่จะไปปล่อยความคิดให้ไหลไปกับสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้กุศลจิตเกิดเนี่ยนะขอยกข้อความในอัตกถาทุติยะเสขสูตรคุธการนิกายกีติวุตกะกล่าวถึง อ, องคุณของกาลยานามิตรหรือว่าผู้ที่เป็นกาลยานามิตรนั้นมีคุณลักษณะอย่างไร กล่าวถึงว่าผู้ที่เป็นกาลยานามิตรนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธา <c oughs> คือคล้ายๆถ้าเราจะไปคบใครสักคนหนึ่งเป็นกาลยานามิตรมิตรนีแ้แปลว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่ดีสักคนหนึ่งนะก็ผู้นั้นต้องหนึ่งสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสองสมบูรณ์ด้วยศีลสามสมบูรณ์ด้วย สตะสสมบูรณ์ด้วยจากขะหสมบูรณ์ด้วยวิริยะ6สมบูรณ์ด้วยสติ7สมบูรณ์ด้วยสมาธิ8สมบูรณ์ด้วยปัญญาอ่ะทีนี้กัลยาณมิตรผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธานี่เป็นยังไงคือกัลยาณมิตรที่คือบุคคลที่ศรัทธา ในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าพระตถาคตนั้นทรงตรัสรู้อริยสัจจริงและคำสอนของพระตถาคตนั้นเป็นคำสอนที่แสวงหาประโยชน์หาความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายนะคือเราไปคบคนที่เขามีความเชื่อแบบเนี้ในเขาเรียกว่าได้คุณข้อที่หนึ่งของบุคคลผู้เป็นกาลยานมิตรของเรา <c oughs> อย่างที่สองก็คือ คุณของเขาก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลคำว่าถึงพร้อมด้วยศีลก็คือศีล น, นั้นเป็นเรื่องของทางกายที่ไม่มีโทษกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาที่ไม่มีโทษเรียกว่าผู้มีศีลเพราะว่าศีลมีการกาจัดโทษเป็นลักษณะกาจัดโทษหรือกาจัดความไม่ดีทางกายทางวาจาเป็น เป็นกิจของศีลเลยเพราะฉะนั้นศีล น, นี่มีความสะอาดเป็นอาการปรากฏฉะนั้นถ้าเราจะรู้ว่าเออท่านผู้นั้นมีศีลไหมกายกรรมของท่านสะอาดวาจีกรรมของท่านสะอาดนั่นแหละแต่ทีนี้เขาบอกว่าศีล น, นี่ยจะต้องรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆและบุคคลนั้นต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้คือคนนั้นต้องรู้เรื่องศีลพอสมควรนะจึงจะรู้ว่าใครมีศีลถ้าเราเองไม่รู้เรื่องศีลเลยเขาบอกว่าฉันมีศีล น, นะ เชื่อได้ไหมเพราะฉะนันศีลเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเป็นคุณธรรมที่มีความสําคัญมากเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าจาักใครว่ามีศีลหรือไม่มีศีลเราต้องรู้จักเรื่องของศีลอย่างดีก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีศีลอย่างนี้จึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมาจารย์ทั้งหลายนะผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ยกย่องเขาอะ เป็นที่แล้วก็คนนี้คอยห้ามปรามคอยตักเตือนและตำหนิบาปคือไม่ใช่เขาเตือนโอโ้คุณอย่าไปทำดีนะอย่างนี้ไม่ใช่มิตรและอันนี้ศัตรูศัตรูที่มาในคราบของมิตรพันบุคคล น, นั้นต้องเป็นที่คนตำหนิบาปคอยว่ากล่าวและเป็นผู้ที่อดทนต่อถ้อยคำนะพันคนที่มีศีลจริงๆเข้าเหล่านั้นจะมีถันติเพราะศีลบางอย่างนี่ให้อดทนนะจึงจะรักษาศีลได้ ถ้าอดทนไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นะศีลบางข้อใช้คันตินะเช่นข้อไหนอ่ะของของโยมนี่มีไหมสักข้อต้องใช้คันติรักษาข้อไหนนะข้อสี่นะทนที่จะไม่โกหกใช่ไหมอดทนที่จะไม่พูดเสียสีถ้าของพระนะถ้าบวชใหม่ๆเลยนะอดทนข้อต้นเลยคือมือแรงมือเย็นนะต้องรอนะต้องทําใจรออย่างเดียวรอจนกว่าจะเช้าอะ่ะจึงจะได้ฉันอย่างเงี้ย เขาเรียกวต้องอาศัยอดทนอย่างมากถ้าไม่อดทนตาบะแตกแน่ก็สินขาดยังไงนั้นจะต้องมีความอดทนนั่นแหละอ่ะแล้วต่อไปนะว่าผู้ที่เป็นกาลยานามิตรนั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยสุตะคําว่าถึงพร้อมด้วยสุตะสุตะนั้นหมายถึงว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่กล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งกล่าวถ้อยคํำยังไงกล่าวถ้อยคําในเรื่องของขันธาต อายตนะสัจจะปฏิจจสมุบาตนะคือผู้ที่สามารถแนะนําความรู้เหล่านี้ตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคได้นั้นก็หนึ่งในองค์คุณของความเป็นกัลยาณมิตรให้แก่เราได้ทีนี้ต่อไปนะเพราะถึงพร้อมด้วยจานะกคะกัลยาณมิตรนั้นเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจากคะก็คือเป็นผู้ที่มีความปรารถนาน้อยนะ อปิชตาหรือว่าเขาเรียกว่าปรานาน้อยสันโดษมีความสงัดไม่คลุกคลีอ่าตรงนี้ก็คือผู้ที่มีคุณธรรมประเภทกระถาวัตถุนั่นแหละซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปรู้สึกว่าจากค่านี้นะะความหมายเนี่ย กว้างกว่าในเรื่องการที่เราสละวัตถุอย่างเดียวนะครับเสียงพรกว้างกว้างกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับจากค้าตรงนี้ท่านเอาศีลมาธิบายครับเอาศีลกับสมาธิมาธิบายอย่างเช่นมักน้อยกับสันโดษนี่เป็นศีลครันคะนะความสงัดกับไม่ครุกคลีเป็นสมาธินั่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและสมาธินั่นแหละพระจากค้านี่ยต้องเป็นผู้ที่ เสียสละอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเจนผานเสียสละความสุขเสียสละช่วยเหลือการงานเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวทั้งหลายใช่ไหมครับเป็นเรื่องของจาค้าหมดใช่ไหมเจนผานอย่างเช่นเรื่องของสันโดษน ะ, ะสันโดษก็คือความคําว่าสันโดษเนี่ยมีอยู่สามอย่างด้วยกันอแต่แปลว่าสันโดษเนี่ยนะยินดีตามมีตามได้ก็ไม่ไม่สมบูรณ์นะัก คำว่าสันโดษเนี่ยนะมีสามอย่างหนึ่งยะถาลาพระสันโดษยินดีตามมีตามได้สองยะถาพระสันโดษยินดีตามกําลังแล้วก็เสยะถาสารู ป, ปะสันโดษสโดษตามความเหมาะสมหรือว่าตามสารูปะยะาลาพระสันโดษนั้นก็ตามมีตามได้ได้ปัจจัยอย่างไรนะถ้าพูดถ้าเป็นสมณะนะเป็นพระสงฆ์เนี่ย ท่านได้ปัจจัยอย่างไรท่านก็ยินดีตามนั้นได้จีวรอย่างไรก็ยินดีตามนั้นได้อาหารอย่างไรก็ยินดีตามนั้นได้ที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ยินดีตามนั้นได้ยารักษาโรคอย่างไรก็ยินดีตามนั้นเรียกว่ายะถาลาภสันโดษทีนี้ต่อไปก็ยะถาภะสันโดษเรียกว่าสันโดษตามกำลังคือหมายคำว่าถ้าได้จีวรอย่างนี้ไม่สปายะเช่นบุคคลผู้ มักหนาวานะจีวรหนาไม่สปายะกับท่านก็ไปเปลี่ยนกับเพื่อนอนะเพื่อนสนิทซึ่งเปลี่ยนได้ว่าเออผมเนี่ยจีวรนี้ไม่สปายะเลยหมแล้วร้อนมากวะงั้นหรือว่าหมแล้วหนาวมากผมขอเปลี่ยนกับท่านนะซึ่งท่านเหมาะกับธาตุนี้พอดีเลยอันนี้เขาเรียกว่าสันโ ด, ดตามกำลังนะเขาเรียกว่ารู้จักกำลังของตัวเองดีว่า เราเนี่ยสมควรกับเรื่องอะไรจีบอลแบบไหนอาหารแบบไหน น, นะซึ่งไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะแต่ว่าไปขอกับคนบางคนนั้นวินัยก็กล่าวไว้อีกว่าขอบเขตของการขอเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่ายะถาภะสันโดษได้เสนาสะนะได้หยกยารักษาโรคก็รู้ว่ากําลังของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือยะถาสารูปะสันโดษสันโดษตามอ่าสารูปคือหมายคำว่า ของอย่างนี้เป็นของดีสมควรแก่พระเถระท่านเราก็เอาอันนี้ไปถวายพระเถระแล้วก็ไปขอของที่ไม่ดีพระเถระมาใช้นะตามความเหมาะสมไม่ใช่โอ้โเราเนี่หอมจีวรใหม่สิงสิ ง, ส ง, สงเลยงามที่สุดราคาดีที่สุดพระเถระห่มราคาจีวรป น, ปนๆมาอย่าง น, นี้มันก็ดูน่าเกลียดนะสมมติว่าพระเทวทัศน์นี่เอาจีวรราคาแสนหนึ่งมาห่มประสารีบุตรราคาไม่กี่ตังห่มอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไห ม, มก็ดูแลอย่างไงก็ไม่รู้ ท่านเราก็ต้องรู้ดูความเหมาะสมนั่นแหละเขาเรียกว่ายะถาสารูปะสันโดษอนนะันี่ก็คือคุณธรรมประเภทจากขะคือเขาสันโดษเพื่ออะไรสันโดษเหล่านี้เพื่อความสงัดต่ อ, ต, อต่อไปเพื่อวิเวกนะเพื่อปาราความเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุติเพื่อวิมุตติญาณทัศน์นั่นแหละเขาเรียกว่าพูดถึงกัลยาณมิตรพูดถึงพร้อมด้วยจากขะ ต่อไปก็กาลยานามิตรพูดถึงพร้อมด้วยวิริยะวิริยะก็คือผู้เพียรพยายามในการปฏิบัติประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนอื่น น, นะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนก็คือปฏิบัติเพื่อละบาปละอกุศลที่มีในในจิตใจของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติพอกพูนเจริญกุศลให้มากๆขึ้นและก็ในขณะเดียวกันก็แนะนำให้คนอื่นละบาปละอกุศลด้วย แนะนำให้คนส่งเสริมคนอื่นให้เขาเจริญกุศลด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรนะเพราะพวกนี้ต้องต้องขยันเอานะต้องเพียรเอานะปล่อยให้ใครชอบเนี่ยแหมไม่ค่อยชอบนะถ้าอากุศลบางอย่างเนี่ยอกุศลเนี่ยคนเนี่ยชอบบางอย่างนะบางอย่างเฉพาะบางคนอะ่ะจะชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอะ่ะเพราะฉะนั้นอกุศลอันนั้นต้องเพียรละเอาถ้าไม่เพียรเนี่ยละไม่ได้นะ